พุทัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันนิสสนนาซึ่งสันนินาคพง์เป็นผู้ดำเนินรายการและในรายการนี้เรามีพระภิกษุอีกสองรูปนะคะโดยไปในทิศทางเดียวกันหมดก็คือมุ่งเน้นให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของระาศาสระของเราคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเน้นว่าเป็นพุทธวจนะคือคําสอนที่ออกจากพระโอษของพระพุทธองค์มีท่านมาร์กชาคาวโรนะคะจะมานําในช่วงต้นของการปฏิบัติกับให้ท่านพบกับทุกบทดพยัญชนะในแต่ละพระสูตรที่ได้เลือกออกมาน้อมสักการกันทั้งคะเจริญพรเช้าวันนี้เราก็มาทําความเพียรเผากิเลสทำจิตให้หลุดพ้นกันมาประพฤติปฏิบัติเจริญอาณาปานสติ สติอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจนี้หากคิดหรือไปคิดในเรื่องใดก็ตามความสุขความทุกข์อดีตอนาคตเราก็ละความเคลื่อในอารมณ์ต่างๆทําทอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราอย่างถูกต้องไม่บิดเพลี้ย และมาฟังพุธทธวชนะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันลูกกรี่สุดทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลก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 ก็จะนำธรรมะเรื่องของผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอีกนัยยะหนึ่งมาอ่านให้ฟังโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าตัสกับนันทิยะว่านันทิยะอริยสาวกเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่านันทิยะในกรณีนี้คืออริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเรื่อมใส ในพระพุทธเจ้าอยากไม่หวั่นไหวดังนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระสรุยชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ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 ในพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวแต่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปคือเพื่อความวิเวกในเวลากลางวันเพื่อความหลีเกเลนในเวลากลางคืนเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ไม่ประมาณอยู่อย่างนี้ปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อปราโมทมีอยู่ ปิติย่อมมีเมื่อมีใจปิติกายก็สงบรำงับผู้มีกายสงบรำงับย่อมรู้สึกเป็นสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งธรรมอริยสาวกนั้น ย่อมถึงซึ่งการนับได้ว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาณโดยแท้นันติยะอย่างนี้แลสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาณดันนดงนี้แลหลังจากที่เรามีความเริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วและพยายามยิ่งขึ้นไป เพื่อความวิเวกในเวลากลางวันและเรียงเล่นในเวลากลางคืนก็จะมีความปราโมดมีความปิติมีความสงบนัำนับของกายนําไปสู่สมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิทำทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นองค์เรียกว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาววันนี้เราก็จเจริญอาณาปานาสติ และฟังพุทธวจนะมาสมควรแก่เวลาเดี๋ยพวพรุนี้เรามาเจริญอานาปานสติและสั่งสมพุทธวจนะกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะเท่ากับว่าพุทธวจนะบทในวันนี้เนี่ยนะคะทําให้เราเข้าใจว่าบางทีเราเอ๊ะทำไมปรากฏการนั้นปิติสุขที่เขาว่ามีเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับเราสัทีเป็นต้นจะได้ทราบว่าเพราะเรายังทําไม่ถึงถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะไปเรื่อยๆนะคะต้องเดินตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้แล้ว เมื่อสร้างเหตุผลก็ย่อมปรากฏเองใช่ะะไม่ต้องหวังนรโมศการขอบพระคุณท่านค่ะจะันเรนพาน